คู่คนับใครคนไหนไม่ใช่คนที่ดีสักเท่าไรไม่เป็นที่ต้องการและเธอก็เข้ามามาเปลี่ยนชีวิตฉันไปอย่างนั้นไม่อยากเชื่อว่าฉันโชคดีที่ได้จะได้รักเธอคนนี้ผ่านคืนวันทั้งร้อนและหนาวทุกเรื่องราวมันเป็นบทเรียน เวลาอาจทำให้ใจของคนเปลี่ยนแต่เรายังคงมีกันจนวันนี้แค่เพียงฉันได้มองตาเธอก็รู้ดีว่าชีวิตของฉันจะมีอยู่เพื่อใครอาจไม่มากมายที่จะตอบแทนหัวใจ แต่อยากจะขอได้ไหมให้ฉันทำเพื่อเธอแค่เพียงอยากจะขอเป็นความสุขของเธอตรงนี้ตลอดไป เหลนั้นวันนี้ยังดูใหม่เมือป Bye.